โรค4อย่างบ้างคืออะไรก็คือเมฆหนาๆนาเมฆหนาๆนาก็เป็นโรคอย่างหนึ่งของดวงอาทิตย์ทําให้ดวงอาทิตย์ส่งแสงได้อ่อนนี่ยก็คือเครื่องคันนี่ยนะทำที่ให้ดวงอาทิตย์ไม่รอ้อนเลยก็คือ1เมฆหนาๆสองหมอกสฝนสเทพราหูเนี่ยนะก็เรียกว่าเทพราหูก็ทําให้ดวงอาทิตย์เนี่ยส่งแสงอ่อนได้เหมือนกันขอถวายพระพร ดวงอาทิตย์มีโรคอยู่สอย่างเหล่านี้และซึ่งอาทิตย์ถูกโรคอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งบรรดาโรคเหล่านี้บีบคันแล้วก็ส่งแสงอ่อนไปพระเจ้าเมรินก็บอกหน้าอัศาจารรย์พระขุนเจ้าหน้าเกษณหน้าแปลกใจจริงพระขุนเจ้าหน้าเกษณข้อที่พระแม้พระอาทิตย์มากไปด้วยเดชก็ยังมีโรคเกิดขึ้นได้โรคก็คือสิ่งที่ทำให้ดวงอาทิตย์ส่งแสงได้ อ่อนนะนะจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงสัตว์อื่นเล่าอ่ะนะคนมันก็ต้องป่วยเฟสอ่ะ น, นะเหมือนกันฮะพระกุณเจ้ายกเว้นผู้มีความรู้เช่นท่านเสียแล้วบุคคลอื่นหามีอันจะจำแนกปัญหานี้ได้ไม่<ส>คือก็ท่านก็ใช้ไอ้คำโรคนี่แปลว่าเสียแทงหรือเบียดเบียนอ่ะนะสิ่งที่เบียดเบียนไม่ใช่คำาโรคแปลว่าทําให้ป่วยแบบที่เราคิดอ่ะนะแต่ว่าสิ่งที่เบียดเบียนทําให้ดวงอาทิตย์สว่างไม่มากหรือว่าแดดไม่แรงอ่ะนะส่วนปัญหา ในวักนี้ปัญหาสุดท้ายเนี่ยนะซึ่งฟังดูก็ก็ก็กยังสงสัยอยู่อันนี้คือกรณีก็บอกว่าพระคุณเจ้าหน้าเกษตรเฮไรหรืดูหนาวพระอาทิตย์จึงส่งแสงแรงกล้าแต่ในฤดูรร้อนเนี่ยไม่ได้ส่งแสงแรงกล้าอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่เข้าใจใช่ไหมปกติบ้านเราเนี่ยองศามันต่างกันใช่องศาหน้าหนาวเป็นยังไงองศาหน้าร้อนเนี่ยนะมันก็ต่างกันะนะแต่ตรงนี้ท่านพูดเหมือนกับว่าพูดกลับข้างอะนะ คำตอบบอกว่าขอถวายพระพรมหาวพิธในฤดูร้อนทุลีขี้ฝุ่นไม่ได้ถูกลมขจัดหมายถาว่าฤดูร้อนเนี่ยฝุ่นมันละอองมันเยอะนะละอองถูกลมตีให้ฟุ้งขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าทั้งอากาศก็มีแต่ก้อนเมฆนะนะลมก็พัดไปแรงสิ่งที่มีอย่างต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดรวมกันเข้าก็ปิดบังรัศมีดวงอาทิตย์ไว้เพราะฉะนั้นในฤดูร้อนดวงอาทิตย์ก็เลยส่งแสงอ่อนนั่นนี่อ่อนนั่นเน่ยสีเกือบ40่องศานะนั่นไง แต่ท่านบอกว่าในฤดูหนาวเนี่ยแผ่นดินเบื้องล่างก็เย็นเบื้องบนก็มีเมฆใหญ่ตั้งขึ้นทุลีอ่าที่เป็นฝุ่นก็นิ่งสงบทั้งละอองก็เคลื่อนไปช้าๆบนท้องฟ้าทั้งอากาศก็ปราศจากแผ่นเมฆทั้งลมก็ผ้าไปอ่อนๆรัศมีแห่งพระอาทิตย์ย่อมเป็นธรรมชาติที่หมดจดเพราะเป็นอ่าเพราะสิ่งเหล่านี้มีความสงบระงับเมื่อพระอาทิตย์เหล่านั้นพ้นจากสิ่งขัดข้องทั้งหลายแสงแดดย่อมแผดกล้ายิ่งนักขอถวายพระพร ที่กล่าวมานี้เป็นเหตุผลที่ว่าดวงอาทิตย์นี้ส่งแสงแรงกล้าในฤดูหนาวแล้วก็ไม่ได้ส่งแสงแรงกล้าในฤดูร้อนเนี่ยนะพระเจ้ามิลินก็บอกว่าพระคุณเจ้าพระอาทิตย์พ้นจากเสียดจังไรทั้งปวงได้ย่อมส่งแสงแรงกล้าประจวบกันเข้ากับเมฆฝนเป็นต้นก็ไม่ส่งแสงแรงกล้านีคือบทสรุปในตอนท้ายก็มีที่ศรีลังกาเนี่ยนะอยู่ที่หนึ่ง เขาก็มีคนช่างซักนะนะเขาก็ถามแขกไกด์เขาบอกว่าทําไมเขาถามว่าทำไมแดดอากาศแถวนี้ร้อนไหมเขาบอกว่าบรรยากาศแถวเนี้ไม่ค่อยร้อนมันมีอยู่พื้นที่หนึ่งนะตรงที่ขับรถขึ้นเขาเยอะๆไปที่ไปเมืองแคนดี้เนี่ยเขาบอกแถวนี้จริงๆแล้วอากาศข้างนอกไม่ค่อยร้อนแต่เขาบอกแต่เขาก็พูดเขาเองขึ้นมานะแต่คนแถวนี้ก็ยังผิวดำเขาบอกเพราะแดดมันแรงเ่ากั้นอากาศไม่ร้อนแต่แดดมันแรง อันนะ้ก็เขาใช้ศัพท์นี้นะเขาใช้ก็บอกว่าอากาศไม่ค่อยร้อนะแต่แดดมันแรงคือมันกระทบมันก็ทุกคนก็เลยดำเลยค่ะเหตุผลก็นะก็ไปถามเขาเอางก็แล้วกันแต่ว่าอันนี้เล่าเล่าเรื่องไม่เป็นเรื่องให้ฟังอนะันหส่วนปัญหาต่อไปค่อนข้างยาวก็เป็นไว้พรุ่งนี้ัวันนี้ใครมีอะไรจะสนทนากันก็นกตามรัธยสัยกันุสาวร์แปดนะ่อย อยู่ในเช่นอะไรนะบวชม า, าหนึ่งห้ามอะไรเสพเมทุนห้ามลักทรัพย์อะไรเไร ง, ง, งี้ยนะคื อ, อพวกพวกใกล้ปรพวกประชิกทั้งหลายเนะี่ยเช่นว่าถ้าอยากฆ่าสัตว์โดยที่สุดแม้ไข่มดดำมดแด ง, งนะ น, นอนุสาด น, นะอย่าถือเอาสิ่งของของคนอื่นโดยทยะเจตนาโดยที่สุดแม้เส้นยาแล้วก็พวกที่นั่งที่นอนก็เช่นพวกเสนาสนาอะไรนะน่นโคนไม้เป็นต้น ถ้ามีกุติก็ถือว่าลาอดีเรกกะลาบนะคก็ถ้ายาก็นั่นแนหะพวกน้ําน้ํามูดเน่าอไรก็แบนั้นนะพวกยาที่ดองด้วยน้ํำมูดเน่าเป็นต้นถ้ามีเนยใส่น้ํำพึ่งเป็นต้นก็ถือว่าอดีเรกกะลาบหรือพวกจีวรก็ผ้าบางสกุลถ้ามีไก่ถวายก็ถือว่าอดีเรกกะลาบเนี่ยเขาก็มีแนะนําอย่างเงี้ยคือคือผมอย่างอธิบายตัว ตัวหน้าหนาวกับหน้าร้อนแล้วแดดไม่เท่ากันอืมดีดีดีตเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับอย่างอย่างผมนี่เป็นคนภาคใต้อากาศที่ภาคใต้ในี่ถ้าถ้าไปเดินกลางเหนหน้าหนาวในในภาคเหนือเนี่ยจะร้อนมากเลยผมจะทนไม่ไหวผิวจะแสบสาเหตุเป็นเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าอย่างอย่างภาคใต้เนี่ย ฝนจะตกทุกเดือนแม้แต่หน้าร้อนก็ตกเพราะฉะนั้นที่นั่นจะมีความชื้นสูงมากเลยพอความชื้นสูงเนี่ยเวลาคนเดินตากแดดจะมีทั้งเหงือ่อทั้งไขทั้งน้ํามันเนี่ยมาเคลือบผิวเพราะเคลือบผิวเนี่ยไ อ, ไ อ, ไอรังสีอุลตราไวท์ที่จะไปทําลายเซลล์เนี่ยมันก็ถูกพวก น, นี้กั้นและผิวก็จะมีความชื้นมีไขมันมาหล่อเลี้ยงมันจะจะไม่แสบไม่ปวดแต่พอภาคเหนือนเนี่ย หน้าหน้าหนาวเนี่ยความชื้นก็ไม่มีความชื้นสัมผัสต่ํามากเลยพอเหงื่อออกไปปุ๊บมันจะระเหย อ, อย่างรวดเร็วและไขมันที่ออกมาเนี่ยเพราะเพราะอากาศมันแห้งมันก็จะระเหยแห้งกับเข้าด้วยเพราะผิวหนังก็จะไม่มีอะไรป้องกันเพราะแดดที่เชียงใหม่นี่จะแบบแบบที่ค่อนทารุณมากแล้วจะแสบผิวและอย่างหน้าแถบแถบนี้ไม่มีความชื้นไม่มีอะไรที่จะ จะบังแสงอาทิตย์เพราะว่าถ้าถ้าคำนวณในแง่ของการการกั้นรังสีและความชื้นจะช่วยกั้นรังสีได้เยอะเพราะว่าความหนาของอากาศประมาณ10กิโลเมตรนี่ที่มีความชื้นปนอยู่เนี่ยจะกั้นรังสีความร้อนดูดความดูดรังสีความร้อนโดยแสงแดดหรือหรือความร้อนที่ผ่านเข้าในชั้นบรรยากาศเนี่ย เมื่อผ่านตัวกลางนี่จะทำให้ความยาวคลื่นมันยาวขึ้นพอยาวขึ้นนี่ mm hmm. เขาเรียกอะไรนะการทะลุทะลวงการดูดกลืนเข้าสู่ผิวร่างกายมนุษย์นี่ mm hmm. ก็จะน้อยลงแต่ถ้าเป็นภาคเหนือนี่ยความชื้นก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะมันก็วิ่งมาหาผิวโดยตรงเลยครับครับถ้าไอ้รังสีต่างๆทั้งทั้งความร้อนทั้งอุต้าอะไรพวกนี้จะไม่มีอะไรกรอง เพราะจะโดนตัวโดยตรงแล้วเราผิวผิวหนังก็แห้งเนื่องจากความชื้นสัมภัส์ต่ำก็เลยผสมรงเข้าด้วยกัน